เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสิงโตคนเก่าผู้มีอายุมากเกิดมานานจึงมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเก่าๆที่เราเกิดไม่ทันมาเล่าให้ฟังสถานที่บางแห่งในบางเกากเมื่อครั้งก่อนเป็นอะไรอยู่เก่ามาสมัยหลังนี้มาเปลี่ยนแปลงสถานที่อะไรต่ออะไรไปฟังนายสิงโตเล่าความเก่าๆให้ฟังก็สนุกไปในด้านที่เราได้รู้เรื่องสมัยที่ตัวเรายังเกิดไม่ทันผมนายสิงโตไม่ได้พบกับคุณคุณสนานวันนี้ ได้เข้ามาในบางกอกมาพบกับคุณคณทั้งหลายก็จะได้คุยกันเล่นสนุกๆผมออกไปอยู่ซะที่เมืองนนตําำบลแถวตลาดแก้วตลาดขวัญเข้ามาบางเกอกทีก็พบกับใครๆและที่ทางต่างๆที่เปลี่ยนไปเขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนเก่าก็ถามอะไรต่ออะไรให้ผมเล่าให้เขาฟังเขาถามว่าเมื่อสมัยเก่าของบางกอกมีห้างฝรั่งมาตั้งอยู่แถวบนนีทีเดียวหรือผมบอกว่าถูกแล้ว ห้างบีกริมของเยอรมันก็ตั้งติดกับโรงเรียนราชนีนั่นเองตัวห้างอยู่ชิดชายคลองปากคลองตลาดนี่หละมีความยาวตั้งแต่สะพานปากคลองตลาดชื่อเก่าไปจนสุดที่ชายฝั่งเจ้าพระยาส่วนด้านหลังห้างนี่ก็ติดกับโรงเรียนราชนีสุนันทาลายัยหากแต่ว่าตัวห้างไม่ได้ติดกับโรงเรียนทีเดียวมีตรอกใหญ่ขนาดรถเดินได้ขั้นกลางอยู่ตรอกนี้ทะลุออกชายแม่น้าเช่นกัน เดินอ้อมหน้าห้างและชายคลองปากคลองตลาดมาบรรจบที่เชิงสะพานได้ห้างบีกริมที่อยู่จนชิดแม่น้านั้นมันก็เป็นธรรมเนียมห้างทั่วไปจะต้องตั้งดังนั้นเกี่ยวกับเรือสินค้าใหญ่จะมาทอดสมออยู่กลางน้ำใกล้ห้างเพื่อขนของขึ้นจากเรือเข้าห้างส่วนโรงเรียนราชนีนั้นหน้าโรงเรียนเดิมนั้นลงแม่น้าด้านชิดถนนนั้นเป็นด้านหลัง ประตูออกด้านนั้นอยู่ในตรอกที่ขัานห้างบีกริมด้านหลังห้างบีกริมติดตรอกโรงเรียนเป็นโรงงานบ้างโรงเก็บของบ้างแต่เดิมห้างนี้ทำการค้าน้ําอบฝรั่งแล้วก็มากรอกใส่ขวดที่หลังห้างนี้ถ้าเราเดินเล่นเข้าตรอกนั้นไปทะลุชัยน้ำจะได้กลิ่นน้ําอบฝรั่งหอมฟุ้งชื่นใจเขาก็คงกาลังทาการกรอกขวดกันอยู่ทีนี้จะพูดถึงกาแพงโรงเรียนราชนี แต่ก่อนทางเดินด้านริมถนนไม่มีกำแพงโรงเรียนเป็นของตัวเองเลยอาศัยใช้กำแพงเมืองบางกอกนั่นเองเป็นกำแพงแทนในสมัยนั้นมีป้อมใหญ่ประจําเมืองอยู่ป้อมหนึ่งตรงนั้นเป็นป้อมแบบเดียวกันกับป้อมมหาการที่เชิงสะพานผ่านฟ้าหน้าโรงภาพยนตร์สาราเฉลิมไทยนั่นเองทางการได้รื้อป้อมนีเสียคนรุ่นหลังก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นมีป้อมอยู่และสถานีตํารวจพระราชวังเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนที่ตรงนั้นเป็นเขตวังของเจ้านายเป็นวังร้างสถานีนี้ย้ายมาจากท่าเตียนเดิมชื่อโรงพักท่าเตียนส่วนถนนที่ด้านข้างสถานีตํารวจจะผ่านกระทรวงพาณิชย์นั้นด้านขวามือมีตัวตึกชั้นเดียวหลังคาสูงสามหลังอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงพาณิชย์เป็นโรงทหารม้าเก่าคนโบราณเรียกกันเป็นภาษาฝรั่งอย่างเพี้ยนว่าแปรแรตทหารมา้า ตรงหัวมุมโรงทหารม้าจะมีถนนแยกข้ามริมคลองไปอีกฝั่งผ่านกรมเกษตรที่ดินแต่ตรงฝั่งคลองอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นตึกแถวนับแต่หัวมุมชิดสะพานปากคลองตลาดไปจนจดสะพานหนึ่งเดิมที่ชื่อว่าสะพานหัวตะเค่ที่จะไปสู่ตลาดบ้านหม้อแล้วก็ตรงหัวมุมตึกนั้นมีห้างฝรั่งเป็นชาติอังกฤษชื่อห้างบาโรบาเราแต่เดิมทีที่แถวนั้นเป็นบ้านขุนนางผู้ใหญ่ และที่หลังบ้านขุนนางนั้นก็มีฝรั่งตั้งห้องสมุดแกมแกมคลับที่ชื่อว่าบุ๊คคลับเป็นสโมสรด้วยไปในตัวที่ถามกันว่าเมื่อก่อนห้างฝรั่งมาอยู่แถวบนนี้หรือเปล่าก็เป็นดังนั้นสิครับที่สีกากระยาสีนั้นทั้ง4ี่ด้านของสี่แยกก็เป็นห้างฝรั่งทั้ง4ี่ห้างพอต่อไปถึงสะพานผ่านพิภพลีลาก็จะเป็นห้างแบทแมนที่เป็นตึกของกรมประชาสัมพันธ์เก่าแล้วบัดนี้สร้างใหม่นั่นเอง อ๋อลืมไปครับที่สะพานหนึ่งข้ามคลองด้านมหัดไทยไปกระทรวงกลาโหมนั้นสะพานนี้เดิมชื่อว่าสะพานช้างโรงสีชื่อจะมาจากอะไรผมก็ไม่ทราบแล้วก็ตรงตึกหัวมุมนั้นแหละครับมีห้างของชาวเปอร์เซียห้างชื่อว่ากาติปเป็นห้างขายของที่ทันสมัยในสมัยนั้นอยู่ทีเดียวทั้งเจ้านายแล้วก็ขุนนางมากันเป็นจำนวนมาก ทีนี้นับตั้งแต่ห้างแบทแมนที่กรมประชาสัมพันธ์ไปตามถนนราชดำเนินจนถึงสะพานผ่านฟ้าข้ามสะพานไปแล้วตึกหัวมุมขวามือเป็นกรมโยธาเทศบาล น, นั้นก็คือห้างยอนแซมสันซึ่งเป็นห้างตัดเสื้อผ้าตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินไปจนถึงเจ้านายต่างๆลงไปถึงขุนนางทั้งหลายที่ใหญ่ๆส่วนห้างฝรั่งทางด้านล่างก็มีห้างที่ชื่อว่าไวเอเวอยู่ตรงเยื้อง หรือว่าตรงปลายสนีกลางนั่นแหละห้างเดียวนอกนั้นห้างญี่ปุ่นห้างแขกก็มารุมมาตุ้มกันอยู่ทางบนนี่แหละผมมีภรรยาอยู่ที่ตลาดแก้วตลาดขวัญเมืองนนมีบุตรหญิงอายุจะเข้าเรียนหนังสือแล้วแต่ว่าเมืองไทยสมัยนั้นโรงเรียนฝ่ายหญิงเนี่ยมีแต่ในบางกอกแห่งเดียวผมจึงเข้ามาหาญาติกะว่าจะฝากลูกไว้เพื่อเรียนหนังสือผมได้ญาติบ้านคนหนึ่งที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ผ่านฟ้า ราชดำเนินสมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงมีลักษณะเดียวกันหมดขอเอาถนนราชดำเนินที่ใกล้ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นแบบอย่างถนนแบบเดียวกันมีต้นไม้ที่ทางเท้าแบบเดียวกันมีเก้าอี้ยาวใต้ร่มไม้รายทางอย่างเดียวกันผิดแต่ว่าตอนที่นับแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าไปต้นไม้ที่ทางเท้าเป็นต้นมะขามทั้งสองฝากพอถึงสะพานมควานรังสรรค์ข้ามสะพานมา ก็เป็นต้นมะฮอกกานีมาจนถึงสะพานผ่านฟ้าจนจรดมาถึงสะพานผ่านพิพพวันหนึ่งผมมาเยี่ยมลูกสาวที่ย่านสะพานผ่านฟ้าบ้านนั้นเขาก็คุยเรื่องต่างๆกันขึ้นคุยกันถึงเรื่องเป็ดเหาะที่พวกนักเลงเกะกะมักขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็เอาเชือกผูกตุ๊กแกหย่อนลงมาเกาะหมวกสาวคนที่นั่งรถเจ็กหรือว่ารถลากผ่านเข้าถนนซอยเล็กๆ บางทีก็ว่าเอาตุ๊กแกหย่อนลงมาเกาะเป็ดย่างในหาบของเจ๊กที่หาบขายไปซะเพื่อที่จะเอาเป็ดไปกินกันบ้างแล้วก็เรียกกันว่าเป็ดเหาะผมก็เลยขัดขึ้นโดยให้เหตุผลแห่งความเป็นจริงว่าการตกเป็ดเป็นตุ๊กแกด้วยเป็ดเหาะนั้นเขาคงโหยเอาแน่เพราะว่าใครจะกินเป็ดย่างลงเมื่อเอาตุ๊กแกเกาะเกลียดตัวมันจะตายไป ผมก็เลยได้อธิบายว่าอย่าเข้าใจว่าการกระทําแบบนั้นจะเป็นการกระทําของนักเลงคําว่านักเลงนั้นเทียบมาจากคนที่มีอารมณ์เป็นปรชัชญาแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่านักเลงเรื่องการแย่งชิงของเจ็กกินนั้นนักเลงถือว่านั่นเป็นการกระทําของคนท้องกิ่วอดโซไม่ใช่นักเลงเรียกอย่างจีนว่าพวกกุย้ยผมได้อธิบายว่าพวกที่เล่นเป็ดเหาะนี่นะมันเป็นพวกนักเลงปลอม เกิดมาจากความสุกสนของพวกผู้ดีมีตระกูลอยากทำตัวเป็นนักเลงแล้วก็ต้องทำตัวเกะ ก, กะเพื่อความขบขันกันการทำแบบนี้เพื่อที่จะฉกชิงวิ่งราวของคนโซบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่ออวดอภิิหานกันเสียโปเป็นอาหารกวางตุ้งที่หาบขายมีเป็ดย่างหมูแดงหมูย่างข้าวสวยนึ่ออย่างดีหาบขายแล้วก็ร้องสีโปสีโปในยามค่าคืน เพื่อคนหิวกลางคืนจะได้ซื้อกินพวกผู้ดีใจคนองพวกนี้ก็เรียกมาซื้อกินนั่งล้อมหาบกินกันอย่างสนุกพออิ่มดีก็จัดการจ่ายค่าอาหารเรียบร้อยก็คิดเรื่องสนุกกันขึ้นคนหนึ่งหยิบเป็ดย่างทั้งตัวทำยื่นเข้าใส่เพื่อนแล้วก็ร้องว่าเป็ดกัดเป็ดกัดพวกเพื่อนก็โบกไม้โบกมือปัดป้องเพราะกลัวเปื้อนปากก็ร้องเอ็ดว่าอย่าเล่นนะบางคนก็ขอผ้าจากเจ๊กมาเช็ดแขนที่เปื้อน บางคนก็กระโดดหลบเฮฮากันไปเจ้าเจคเองก็โดนเป็ดกัดเหมือนกันเจค ก, ก็หัวเราะสนุกไปด้วยพอคนที่ถือเป็ดก็ไล่จิบใครต่อใครก็ร้องว่าเป็ดเหาะเป็ดเหาะพวกรู้กำหนดกันต่างทำกลัวก็วิ่งหนีเข้าความมืดไปพอคนนั้นก็ไล่อย่างไม่ลดละเจคเจ้าของก็นั่งหัวเราะกันอย่างสนุกสนานล้างถ้วยล้างชามไปคิดอยู่แค่ว่าประเดี๋ยวเขาก็เอาเป็ดมาคืนเมื่อสนุกพอแล้ว แต่พวกนั้นก็ไม่กลับมานี่แหละเรื่องของเป็ดเหาะเป็ดกัดพวกซุกซนเหล่านี้มีอะไรพิสดารมากเพราะเคยถูกวินัยและกดของตระกูลกวดขันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อถึงทีสนุกได้ก็สนุกกันนักบางกลุ่มลองทำตัวว่าจะพึ่งตัวเองโดยที่ไม่ไปพึ่งทางบ้านหรือทางวังละไปหาที่พิเศษไว้ชุมนุมกันแต่ว่า แอบไปขโมยข้าวสารที่บ้านที่วังไปซุ่มไว้ขโมยถ้วยขโมยชามหม้อข้าวหม้อแกงแอบเอาไว้ส่วนอาหารข้าวนั้นก็พยายามหาทางปลิ้นปล้อนเอาสมัยนั้นตอนเช้าๆจะมีเจ๊กขายปลาทูนึง่งแล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายอย่างพวกนี้ก็หาวิธีปลิ้นปล้อนกันเวลาจะออกซื้อของจะต้องนุ่งสรงกันทุกคนและทุกคนก็จะต้องถือจานคนละใบวิธีถือจานเขาจะถือด้วยมือขวาที่ถนัด แล้วก็ใช้นิ้วจับจานไว้เพียงสามนิ้วคือนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางส่วนนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนั้นอยู่ใต้จานเฉยๆเวลาซื้อของที่หาบนั้นจะนั่งยองๆทาให้สรงที่นุ่งตกเป็นท้องช้างหรือท้องถุงส่วนมือที่ถือจานจะทำเขียดูของที่จะซื้อเขีรยไปเขียมาที่จริงเนี่ยเขียลงสรงโดยใช้นิ้วกลางนิ้วก้อยที่อยู่ใต้จานเนี่ยเป็นผู้เขียของลงสรง ความจริงพวกนี้ยังถือศีลธรรมอยู่จะสนุกที่ซื้อโดยจ่ายเงินก็จ่ายไปแต่พิเศษก็คือแอบขโมยเอาของเขาบ้างเป็นการขบขันและกล้าทําทั้งนั้นเลยจะเป็นปลาทูหรือจะเป็นขนมต่างๆก็มีวิธีเล่นทั้งนั้นพอหลบเข้าซ่องได้ก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งจะกินจะอยู่ก็ไม่มากมายอะไรพวกผู้ดีเก่ากินอะไรไม่จุถ้าจะสนุ ก, กลงคืนเขาก็มีอีกแบบหนึ่งนะโดยที่คนพวกนี้เนี่ย เขาจะขึ้นรถเจ๊กไม่เสียสตางก็คืออุตสานอนกันตั้งแต่หัวค่ำตื่นเอาตีสี่อุตส่าเดินไปถึงตำบลวรจักรหาเหล้ากินกันเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นรถเจ๊กจ้างมาท่าเตียนคันละสองคนแล้วก็ร้องนัดหมายกันว่าจะกระโดดรถหนีตรงไหนจะมีเสียงถามว่าตลาดไหนจ๊ะคนตอบจะตอบว่าตลาดเชษจ้นั่นก็หมายความว่าจะโดดหนีแถวสวนเจ้าเชษ คือเดี๋ยวนี้เป็นโรงทหารกรมรักษาดินแดนโดดตรงนั้นแล้วก็วิ่งหนีเข้าสวนแต่ถ้าตอบว่าสวนโพจะก็จะโดดกันที่ถนนซอยวัดโพแล้วก็หนีเข้าวัดพอเช้าตรู่ก็เตรไปท่าเตียนลงที่ท่าเรือเมที่จะไปอยุธยาเพื่อกินเลือดหมูต้มในตอนเช้าเช้าแถวนั้นร้านอาหารร้านเหล้ามากมายตลอดรุ่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับวางตามระเบียบไป ทำงานก็นุ่งผ้าม่วงถุงน่องรองเท้าตามตระกูลบางคนนะก็มีรถมานั่งแต่ว่ายังชอบประพฤติอย่างเกะกะเพื่อความสนุกการมาเยี่ยมลูกสาวที่ผ่านฟ้าเนี่ยก็มักจะมานอนค้างด้วยคืนหนึ่งราวๆสามทุ่มเกิดอยากกินกาแฟาก็ชวนลูกสาวอายุ9ก้าขวบออกไปที่ร้านเป็นห้องแถวปุโรทั่งที่หัวมุมเชิงสะพานเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นตึกไทยนิยมไปซะแล้ว พอกินกาแฟาเสร็จแล้วก็จ่ายสตังก์ก็ได้ยินเสียงเสียโปเสียโปผมก็นึกอยากกินขึ้นมาและทั้งอยากให้ลูกสาวเนี่ยได้กินด้วยเด็กๆอย่างนั้นไม่เคยกินยิ่งมาอาศัยเขาอยู่เพื่อเล่าเรียนใครเขาจะให้กินอาหารเช่นนี้โดยไม่จำเป็นถือว่าฟุ่มเฟือยใช่เหตุพอออกจากร้านกาแฟาก็เดินตามเสียงร้องเสียโปมาพบเอาที่ห่างคน ก็เลยเรียกหาบเสียโปเข้ามาที่เก้าอี้ยาวคนมะฮอกกานีสั่งสับเป็ดย่างมาหนึ่งจานหมูแดงหนึ่งจานหมูย่างบ้างราคาเหรอครับส0สตางค์บ้าง5าสตางค์บ้างไม่แพงอย่างเดี๋ยวนี้หรอกข้าวหนึ่งก็ถ้วยละสองสตางค์บ้างสาสตางค์บ้างลูกสาวเนี่ยชอบมากไม่เคยกินผมสบายใจที่ลูกได้กินอร่อยลูกเอ้ยพ่อนี่ตื้นตันหัวใจจัง ลูกกับผมกําลังกินกันอร่อยก็มีชายสองคนเดินตรงมาแล้วก็เข้ามาซื้อกินบ้างพอกินไปได้หน่อยก็เกิดพี่เรนขึ้นคนหนึ่งเนี่ยหยิบเป็ดแล้วก็ทํายื่นเข้าใส่เพื่อนแล้วก็ร้องว่าเป็ดกัดผมมองดูด้วยความหมั่นไส้พุดโทษไอ้เด็กเมื่อหัวฝนปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมหันจริเล่นเกะกะไอ้คนนั้นยื่นเป็ดเข้าใส่เพื่อนอย่างชิดไอ้เพื่อนก็โดดหลบแล้วเจ้านั่นก็ทําล้ออีกเป็ดกัด เจกนั้นมีใช่เจกหนุ่มเป็นเจกมีอายุแล้วร้องว่าอย่าเล่งอย่าเล่งสีหน้ากโกรดไอ้นั่นก็เลยหันทิมเพื่อนเข้าไอ้เพื่อนก็โดดห่างน้อยแน่ไอ้นั่นดันหมุนเอาเป็ดมาใส่ผมผมหมั่นไส้อยู่แล้วเลยลุกขึ้นเตะโครมเข้าไปตรงหน้าและด้วยความรู้สึกว่ามันผิดวิสัยซะแล้วผมเตะไม่ถูกอะไรเลยก็เลยเตะซ้ํากันอีกติดๆกันผมได้บอกแล้วว่ามันผิดวิสัยไอ้นั่นเหมือนตัวมันเป็นลมเป็นแรง เตะยังไงก็เตะไม่ถูกและยิ่งกว่านั้นร่างกายมันหายวับไปกับตาลูกสาวผมกระโดดเข้ากอดเอวผมแล้วก็ร้องไห้ด้วยความกลัวตัวผมเองก็ตัวงนด้วยความตกใจเจกเจ้าของหาบยืนตัวแข็งผมนั่นน่ะเหรอยืนเก้ากางหมดความรู้สึกไปนานเลยเสียงฝีเท้าคนวิ่งเข้ามาใกล้เราผมหันไปจึงรู้ว่าเป็นตำรวจ3ามคนใจผมกลับมาคงเดิมแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังอย่างละเล่มละลัก ตำรวจฟังผมบ้างฟังเจกบ้างและตำรวจเองก็ยืนงงผมนึกได้ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าอาหารก็เลยรีบจ่ายให้เจกนึกว่าอะไรเห็นนายลุกขึ้นเต้นตำรวจว่านึกว่าวิวาทกันเออคุณครับผมเรียกตำรวจวันนี้ช่วยสัตว์ผู้ยากสัคราวเถอะบ้านผมอยู่ตรงนู่นเข้ารัวผู้ระหงไปหน่อยนึงก็ถึงเรือนผมปลอดลอยครับไปส่งผมด้วยนะครับตำรวจหันมามองหน้ากันเป็นเชิงหารือว่าควรม่ควร แต่แล้วก็พูดว่าเอาสิช่วยกันเราก็ปอดเหมือนกันไม่เคยเจอเลยในระหว่างที่เจ็กเก็บถ้วยเก็บชามใส่หับก็พอดีมีคนเดินผ่านมาหลายคนเจ็กก็เลยหาบใส่บ่าและก็รีบเดินตามเข้าไปส่วนลูกสาวผมเกาะผมแน่นตัวยังสั่นแล้วก็เดินไปด้วยกันกับตำรวจซึ่งเขาก็ดีใจหายส่งผมกับลูกจนถึงตัวเรือน